ข้ามุา المرسلين بنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بحسن إلى م د ي ن ثم م ا بعد السلام عليكم و ر ح ال م الله وبركاته ะะมฟ่รสัยถึง เหตุการณ์สงครามนี้ในหลายมุมหลายมิติแต่ส่วนที่เป็นเรื่องสำคัญของทุกสงครามก็คือเรื่องที่ไปที่มาทำไมจึงเกิดสงครามทำไมมีมีการต่อสู้ การศึกษาเรียนรู้อัลกุรอานโดยเฉพาะบทบัญญัติที่เกี่ยวกับหมวดว่าด้วยเรื่องการทําสงครามมารยาทของสงครามอย่างที่อุลามาอัติบัติบอกว่าละกียตุลฮารบมีศาสนาอิสลามอย่างเดียวแหละที่สามารถเอาสองคำนี้ มามาตั้งเป็นเป็นมาตรฐานเดียวมารายาทสงครามเพราะปกติคำว่าสงครามเนี่ยแค่ได้ยินคำว่าสงครามนี่มันก็นึกไม่ออกว่ามันจะมีมารายาทอะไรที่จะมาใช้แต่อิสลามไม่ได้บอกให้เราได้ทำสงครามเพื่อเข่นเข่นฆ่าด้วยเหตุผลในการกระหายเลือด สงครามต้องมีเหตุผลต้องมีความชอบธรรมและทํำสงครามแล้วก็ต้องมีกติกาในกติกานั้นที่จะต้องรักษานี่ยก็คือเรื่องสิทธิมนุษยธรรมรสิทธิของสตรีสิทธิของเด็กสิทธิของกรมกรสิทธิคนบริสุทธิ์ ท, ธที่ไม่รู้อินูอินีไม่เกี่ยวข้องกับสงครามนี่ทั้งหมดเนี่ยสลามได้วาง มาตราการว่าเดี๋ยนชาวเราได้มีโอกาสก็จะมาพูดรายละเอียดเรื่องนี้แต่เรื่องที่สำคัญเนี่ยก็กคือเรื่องความชอบของสงคามในในหลักการอิสลามเนี่ยเราต้องแยกระหว่างบทบัญญัติและนิตาสตร์ ในภาษาอาหรับมีคว่าต้องแยกระหว่างอันนัสนัสทีบหบทนิติศานนี่คือฟิคบทมาจากใครมาจากอัลล์นิติศาสตรเนี่ยฟิคเนี่ยคือความเข้าใจของผู้รู้จากบทบัญญัติอันนัส บทเนี่ยมาสูงบทเนี่ยมาจากอัลลอฮ์เนี่ยไม่มีข้อผิดพลาดแม้แต่เปอร์เซนเดียวแต่อันฟิกความเข้าใจจากบทเนี่ยที่มาจากมนุษย์เนี่ยมันต้องเผือเพราะมีโอกาสคาดเคลื่อนคาดเคลื่อนตีความคาดเคลื่อนเข้าใจผิดคาดเคลื่อนไม่รู้ที่ไปที่มาถูกต้อง ต้องแยกพอเราเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาเนี่ยอ้างถึงศาสนาเนี่ยมันก็ต้องมี ก, ก, กรารแยกแยะระหว่างสองเรื่องนี้ในเรื่องบทนี่เราจะก้าวไก่ไปได้ไอ้บทนี้ไม่เอ้าไม่ไม่ ไ, ได้บทเป็นนัสมาจากบ่าวมาจากรัสูลแต่ถ้ามีอิสติฮะเนี่ยมีการวินิจฉัย ที่เราเรียกกระฟิกแล้วก็ทัศน์นี่ผมไม่เอาได้พูดพูดได้พูดพูดแล้วมันไม่บาปอาย่านี่ผมไม่เอาไหนบ้าง ไ, ไม่ได้ฮะดีสนี้ใช้ไม่ได้ไม่ได้แต่ถ้ามีอวลมาเขาตีความเขาบอกว่าเนี่ยฮะดีสนี้เนี่ยหมายรวมว่าเราต้องทําแบบนี้เอาความเขาอย่างนี้ผมไม่เห็นด้วยอันนี้ผมพูดได้ทำไมผมต้องต้องแยกสองประเด็นเนี่ยเพราะ ในเรื่องความชอบธรรมของสงครามเนี่ยมันเกิดมันเกิดความขัดแย้งระหว่างผู้รู้ซึ่งมันไม่น่าจะเกิดทําไมอย่าพูดเรื่องสงครามนี่มันมันเกิดบ่อยครั้งสมัยท่านนาบีสุลต่าละห์อะลัยยุสัลลัาาลมซึ่งเหตุการณ์ในเหตุการณ์ของสงครามนี่มันมันถูกปฏิเสธไม่ได้เพราะมันเกิดจริงแต่การที่จะตีความว่านาบีทำสงครามเพราะอะไร เนี่ยความเข้าใจของผู้รู้จึงเกิดทัศน์ที่แตกต่างกันทัศนะหนึ่งบอกว่า j ิหรือการทาสงครามเนี่ยมีสองสองประเภทิ i า a d ปกป้องและก็ j i h รูป j h a d บอกว่าในกรี jihad ดุดเดี่ยว jihad ปกป้องนี่ก็คือศัตรูนี่มามาบุกรุก เราเราก็ปกป้องอันนี้ต้องต่อสู้อันเนี้ยอันนี้ตัวเนี้ยไม่มีขีลาฟไม่มีความขัดแย้งระว่างอุลามาว่าในอิสลามมีไหมแบบเนี้ยอิสลามมีบัญญัติไหมให้ต่อสู้ให้สู้รบให้ทำสงครามเพื่อปกป้องชีวิตดินแดนทรัพย์สิสนอันนี้มีชัดเจนไม่มีขีลาฟเลยแต่มันมีเรื่องจิหา d เชงรุก เพราะเ่องการ jihad ตลนับ jihad ดุกนี้ก็คือเขาไม่ได้มารุกเรานะแต่เราเนี่ยต้องรุกไปหาเขาเพื่ออะไรอะ่ะเพื่อจัดการความไม่ถูกต้องในผืนแผ่นดินเช่นประเทศหนึ่งประเทศใดสมมตนะนะ ชาวอเมริกันนี่น่าสงสารได้เลือกตั้งประธานาธิบดีคงมเหงชาวบ้านสมมตินะรัฐอิสลามนี่ก็จัดกองทัพนี่ไปไปจัดการรัฐบาลอเมริกาเพื่อให้ให้เขาปกครองปกครองประชาชนของเขาเนี่ยอย่างมีความยุติธรรมอันนี้ไปรุกเขา ในเนี้ยตัวเนี้ยที่อุลมะเขาขัดแย้งกันว่ามีในอิสลามไหมมีความชอบไหมทำได้ไหมแลยทและที่มีมุมมองที่แตกต่างกันเนื่องจากว่าเหตุการณ์ของสงครามสมัยท่านนบีก็ดีสมัยสฮับบก็ดีเนี่ยเขาตีความไม่เหมือนกัน บางมุมมองบางทัศนะมองว่าทั้งหมดเลยสงครามที่นบีละสอม า, าทั้งหมดเนี่ยเป็นจิหา d ดาฟาเป็นจิหา d ปกป้องซึ่งการปกป้องนี่มันก็มีหลายรูปแบบหรือไม่ใช่ปกป้องนี่หมายถึงว่าเราอยู่เราอยู่ในพื้นที่ของเราเราต้องรอให้เขาเนี่ยยกทัพมามาถึงมาถึงประตูป้อมเมืองนี่จะได้ออกไปจิหา d ไม่ใช่ บางทีเนี่ยได้ยินว่าเขายกทัพกันมาแล้วเนี่ยหกร้อยเจ็ดรอยกิโลแล้วเนี่ยเรารู้นี่ว่าเขายกทัพจะได้มารุกเราเราก็ต้องยกทัพไปหาเขาอันนี้เนี่ยก็ถือว่าปกป้องไม่ถือว่ารุกนะเช่นสงคราม uk, เอร์มุกไอ้สงครามตะบุกสงครามตะบุกนี่น บ, บีได้ยินว่าพวกโรมันนี่ยยกทัพจะมาบุกคาบสมุทรอาหรับแล้วก็จะ เข้ามาถึงมาดีนะาน บ, บีก็เลยยกครัพ 40,000 ซาบะ 40,000 ท่านเนี่ยยกครับไปหาเขาเลยพอพวกโรมันเนี่ยเห็นแล้วว่าน บ, บีออกกัเนเก็เลยหมีกลับจึงไม่เกิดสงคารามเนี่ยเนี่ยอันนี้ถือว่า jihad ด, ด้ฝ่า j i h a ปกป้องไม่ใช่ jihad ลุกนะทั้งทั้งที่น บ, บีต้องเดินทางจากมาดีนะเนี่ยไปตะบูกเนี่ยก็เกือบ 6,700 กิโลอะ น อ, นอกเมืองนอกเมืองของตัวเองนักออก่าจะไปถึงเริ่มถึงพรมแดนของของโรมันละเพราะตอนที่นาบีบีชีวิตเนี่ยชามนี่ยังยังไม่ได้เข้ามาเป็นอาณาจักรของอิสลามนะมุสลิมที่ความกันว่าที่สหายเขาได้ทำสงครามเนี่ยไปพิชิต พิชิตเปอร์เซียพิชิตโรมันเนี่ยอันเนี้ยเป็น jihad ดฝะหรือ jihad ตลบเป็น jihad อุปมงหรือ jihad รุกอลามเขาก็ขัดแย้งกันที่ความไม่เหมือนกันที่ที่ความไม่เหมือนกันเนี่ยอันนั้นน่ะเรื่องอิสติฮฟิกถ้ามีอุลามะบอกว่ามี j ิ h a รุกมี แล้วมีคมาบอกว่าไม่มีแบบนี้ไม่ถือว่าปฏิเสธตัวบทแต่เขาปฏิเสธความเข้าใจอนี้เราต้องต้องต้องเข้าใจให้ดีนะต้องคิดแต่จะปฏิเสธบอกว่าไม่มีไม่มี jihad เลยนบีไม่ไม่มี jihad ในอิสลามเองนี่มันปฏิเสธไม่ได้มี jihad แน่นอน อุลามะที่เขาพูดถึงเรื่อง jihad เนี่ยแล้วเขาบอกว่า jihad ในอิสลามมีสองประเภท jihad ลุกและการ j i h a ปกป้องแล้วเขาบอกว่าทั้งสองนี้มีความชอบมีความชอบแล้วก็มีตัวบทหลักฐานรองรับตามที่เขาเข้าใจเขาที่เขาตีความอะนะก็ยังมีอีกทัศนะหนึ่ง ที่บอกว่าไม่ที่จริงเนี่ยมีในอิสลามเนี่ยที่มีความชอบเนี่ยก็คือจิ h a d ปกป้องอย่างเดียวปกป้องอะไรอ่ะปกป้องทุกสิ่งทุกอย่างที่อิสลามให้เราปกป้องปกป้องศาสนาปกป้องชีวิตปกป้องทรัพย์สินปกป้องดินแดนปกป้องเกียรติยศทั้งหมดเนี่ยถือว่าถ้าใครออกมาสู้รบเพื่อปกป้องสิ่งเหล่านี้ถือว่าจิ h a d แล้วเสียชีวิตละก็ที่ว่า شهيد จงมีข้อพิดูจน์ว่าคนที่ปกป้องรัพย์สิ่งที่เขาตัวเองนี่ฟะฮ์ฮ์ว่า شهيد ที่เขา شهيد และคนที่ปกป้องศักดิ์ศรีเกียรติยศของเขาคนจะมาขมเหงมายึดมาข่มขืนครอบครัวของเขาเขาก็ออกมาสู้รบ เลืเสียช ah ีวิตีดไม่ดิส ah, ah ู้รบเพราะศาสนานะไม่ดสู had, ้รบเพศาสนาไม่ดิสู ong, ้รบเพสู้รบปกป้องทรัพย์สินของตัวเองนบีนบีบอกว่าฝหัวีดเความชอบธรรมปกเป็นจิฮัดปกป้องแล้วถ้าปกป้องศาสนาล่ะศาสนาของเราแล้วก็ศาสนาของคนอื่นแล้วปกป้อง ที่ของประชาชนในการนับถือศาสนาที่ตนเองต้องการอันนี้เขาเรียกว่าทัสนาเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยยิฮัดปกป้องแล้วเขาบอกว่าที่ซาฮาบานี่ออกไปพิชิตพิชิตเปอร์เซียที่ไปพิชิตโรมันเนี่ยเขาไม่ได้ออกไปยึดดินแดนเขาไม่ได้ออกไปรุกดินแดนของชาบ้านเขาเขาออก เขาออกไปปราบการปกครองที่ข่มเหงชาวบ้านไม่ให้เลือกศาสนาที่ตนเองอยากจะนับถือพิสูจน์ยังไงอ่ะก็พิสูจน์ที่ว่าซหฮาบานี่พอออกไปสู้รบและพิชิตเมืองต่างๆไม่ได้บังคับให้ประชากรเนี่ยนับถือศาสนาอิสลามถ้าหากว่าเขารุก จะได้บังคับให้คนเนี่ยนะับถือศาสนาอิสลามนี่ก็กลายเป็น جهاد รุกแต่ใช่มีเขาออกไปนี่เพื่อปกป้องสิทธิของประชาชนเอเคแล้วนะไม่มีแล้วนะกษัตริย์ที่จะมาบังคับชาวบา้านมาค่มเหงชาวบา้านต้องบูชาต้องนับถือศาสนาน้ศาสนานี้เนี่ยไม่ได้ทุกคนเนี่ยมีสิทธิเสรีภาพจะเลือกศาสนาจะเอาอิสลามก็ได้ไมเอาอิสลามก็ได้อันนี้เทศน์นี้เขาก็บอกว่าอันนี้ก็เป็น جهاد ปกป้องเหมือนกันปกป้องใครอะปกป้องสิทธิของประชาชนและถ้าเรามองถึงการการเสียสละของสาฮาะในการที่จะออกมาสู้รบเสียสละชีวิตของเขาเองกันเพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชากรในพื้นที่อื่นๆที่คนละเชื้อชาติคนละแผ่นดิน คนละพื้นที่คนละวัฒนธรรมคนละศาสนาแต่ออกมาเสียสละชีวิตของตัวเองเนี่ยเพื่อปกป้องสิ่งของอื่นเนี่ยเราสามารถเข้าใจว่าทำไมชาวโลกในยุคนั้นน่ะ น, นะนับถือมุสลิมยอมให้มุสลิมเนี่ยมาเป็นผู้ครอและในเมื่อซาบานิเขายอมที่จะยอมที่จะสู้รบทำสงครามเพื่ออะไรเพื่อปกป้องสิทธิ ส ų, os, the ิทธิมนุษย์ของของคนในพื้นที่อื่นซึ่งคนละศาสนากันนะยอมอัมรอบุลบงอมรอบุลอาซี่ตวอย่างนะ่งอมรอบุลอาพิชิตพิชิตอีดผู้ปกครองนีเป็นชาวโรมัน ชาวโรมันลองคิดดนะูชาวโรมันเนี่ยเป็นชาวออตโตดอกแต่เป็นชาวออตโตดอกตะวันตกเป็นชาวออตโตดอกที่แบบว่า ท, ที่ที่มาจากชาวโรมันนะ่ะแล้วก็คริสที่อยู่ที่อียิปต์เนี่ยเป็นชาวเป็นคริสชาวออตโตดอกเหมือนกันนะแต่ โคดเอกอมโดกนิกายตะวันออกซึ่งข้อแตกต่างระหว่างสองนิกายนี้เนี่ยข้อแตกต่างแบบเกี่ยวกับว่าเฮ้ยซู้เป็นพระเจ้าเต็มตัวหรือพระเจ้ากำกึง่งมีส่วนมนุษย์อยู่ด้วยพระแมรี่มาริแอมมันดาของมีส่วนเป็นพระเจ้าหรือเปล่า พระจิตเนี่ยถือว่าเป็นส่วนนี่ของพระเจ้าหรือไม่เป็นอันนี้ขัดแย้งกันอันี้ขีดลาบกันอันนี้ระหวังแต่ละนิกายอ่ะนะขัดแย้งกันแล้วมันขัดแย้งกันเนี่ยถึงขั้นดีบางทีนิกายเดียวกันหรือคนละนิกายนะคมแขงกันเหมือนคนละศาสนากันชาวโรมันน่ะที่ปกครองอียิปต์ซึ่งนิกายเดียวกันนิกายเดียวกันแต่มีทัศนที่ไม่เหมือนกัน่ะนะ คมเหงชาวอีบที่เป็นชาวคริสต์จนกระทั่งเก็บภาษีจากคนเป็นและคนตายคนเป็นนี่นะบ้านก็เก็บภาษีทําธุรกิจก็เก็บภาษีทํานาก็เก็บภาษีเอาตายแล้วตายแล้วนี่นะในกูโบ้คงว่าเราเบี่ภาษีมัน ไล่ไปเก็บภาษีเนี่นกูบอกละเชา้ชาตุ๊้าอีบนะพอรู้ว่ามุสลิมเนี่ยจะเข้ามาช่วยเขาเนี่ยเขาในทรงจดหมายบอกว่าต้องการอะไรให้เราช่วยนี่บอกมาเลยเรายินดีที่จะช่วย เพื่อขับไล่พวกออโทดกศาสนาเดียวกันนะนะแต่เป็นชาวโรมันคนคนและเชื้อชาติกันนะยอมที่จะให้มุสลิมคนและศาสนามาพิชิตอียแล้วมาปกครองเพราะเขาได้ยินชื่อเสียงของมุสลิมในการปกครองเรื่องความมีติธรรมเรื่องอะไรเนี่ยเพื่อจะได้ขับไล่พวกคริสตินนิกายเดียวกันนะศา ส, สนาเดียวกันนิกายเดียวกันนะพรทนไม่ไหวแล้ว ชาวโลกต่อกรนน่อยอมยอมรับนับถือมุสลิมมาให้เป็นเจ้าโลกกับเป็นเป็นเป็นผู้ครองระดับโลกเนี่ยเพราะอะไรมุสลิมยอมยอมที่จะช่วยทุกคนเลยกูลามาเนาะกูลามาทั้นะเนนี่ที่เขาบอกว่าการ j ิ h a d ความชอบของ jihad เนี่ยพเพราะว่า jihad ปกป้องมันไม่ใช่ jihad รู หรถ้า jihad ลุกนี่ก็ลุกกับังคับใหรับอิสลามบังคับใหต้งรับอิสลามสิแต่มันไม่เคยเกิดขึ้นนะมุสลิมเนี่ยพิชิตกี่ประเทศนะดินแดนนะเคยไหมไอ้ทําไมรับอิสลามอีกโดนฆ่าเหมือนที่เขาเคยทำกันอย่างที่สเปนนะอันดาลุสพอเขาเอาดินแดนเขากลับมาใครที่เป็นมุสลิมมานะเอาแก่ผ้าเลยดูนี่ตัดสุนัขหรือเปล่าก็จะรู้ไงนะมุสลิมมาช่มุสลิมมานะ มุสลิมเรียกศาสนมุสลิมก็คือที่ดั้งสุนัตแก้ผ้าเลยถ้าดั้งสุนัตนี่น่ารู้แล้วเป็นมุสลิมมานะค่าเลยถ้าไม่ถ้าไม่กลับมาเป็นคริสหนังสือศาสนาคริสตค่าเลยนี่คือข้อแตกต่างหนึ่งในผู้รู้ที่อุลามะที่เขาบอกว่าศาสนาในตัวบทเนี่ยไม่มี เหตุการณ์หรือตัวบทใดๆที่สามารถตีความได้ว่ามีดิฮัดลุกเนี่ยหนึ่งในทัศน้และก็ท่านได้อธิบายอย่างละเอียดพูดได้เยอะนะครับท่านี่มาเนอเตมีย์เพระกติลาในอิบนุเตมียนีจะถูกแบ่งแยกเป็นผู้รู้ที่มีทัศนาที่ค่อนข้างเคร่งคัดในเรื่อง ในเรื่องในเรื่องนิติศาสตร์ด้าน j i h า d เนี่ยพอท่าททนเกิดในยุค ท, ที่มุสลิมตกต่ํามากเกิดในยุคที่ทั้งพวกพวกเติร์กนี่ก็มาบุกเติร์กที่มาอย่มุสลิมมาบุกโลกมุสลิมแล้วก็โควิดที่มาบุกโลกมุสลิม แล้วก็ผู้คองมุสลิมเนี่ยก็ไม่ได้ทำหน้ไม่ได้ทําหน้าที่จนอุลามาต้องออกมาทําหน้าที่มาม า, มาบกป้องอิหย่านเนี่ยจึงมีฟะตัวามากมายกับเรื่อง j ิ h า d เนี่ยถูกมองจากคนในยุคปัจจุบันทำไมอิหร่นี่ผู้เรื่อง jihad เยอะเหลือเกินเขาเกิดในเขาเกิดในยุคในยุคที่มุสลิมเนี่ยโดนโดนข่มเหงอย่างแรงเขาก็ออกมาต่อสู้ อยู่ระหว่างก่อนโตการต่อสู้นี่ก็ถูกถามตลอดใเรื่องกาฟัดวาตลอดฟัดวาเขายกนี่คือเรื่อง jihad แต่ที่แปลกนะครับว่าทัศนคของท่านนี่คือเรื่อง jihad เนี่ยท่านไม่ไม่เห็นด้วยกับอุลามะจีก็บอกว่า jihad ไปรุกแยดุตระรับนี่ไมี jihad ปกป้องอย่างเดียวและความชอบธรรมของ jihad ในอิสลามเนี่ยก็ต้องเป็น j ิ h า d ที่เรา ที่เรา ม, า ป, กมาปกป้องชีวิตของเราปกป้องศาสนาของเราปกป้องดินแดนของเราทรัพย์สินของเราจากการละเมิดของผู้อืน่นส่วนหนึ่งที่ไม่ได้มีอะไรพูดได้วิเครอห์นะครับอกว่าแม้กระทั่งสงครามบาตสงครามบัตัีติชัดเจนว่าเป็นที่แท เป็นทิหแทปกป้องเพราะนาบีถูกขับไล่จากมักกะไปไปมาดินะแล้วผู้อยู่ที่มาดินาเนี่ยก็ไม่ยอมให้นาบีคือออกมาแล้วไงนาบีออกนออกไปออ ก, ออกจากมักกะแล้วไม่ยุ่งแล้วฉันก็จะไปดาวะอุนเนไม่ไม่ยอมพวกกูเรยจก็ยกทัพจะได้ไปหานาบีเนี่ยไปจัดการนาบี นบีก็ออกมาปกป้องไอ้ผูตใจเย็บอกว่าเนี่ยสงครามบาตริก็เป็นหลักฐานว่าว่านบีทำสงครามทุกครั้งเนี่ยก็เป็น j ิ h a d ปกป้องทั้งสิ้นจึงต้องศึกมีความมีความจำเป็นพอเราศึกษาเรียนรู้มวดตัวบทที่เกี่ยวกับ เรื่องสงครามสมัยท่านนาบีและสฮะบเนี่ยควรที่จะศึกษาที่ไปที่มาของเหตุการณ์ทําสงครามอย่างละเอียดเราก็จะเข้าใจว่าความชอบในการทําสงครามในยุคนั้นนะ่ะทำไมทำไมมันเกิดเหตุผลมันเกิดเอ่อมันเกิดข้ออ้างในการที่ทําสงครามครั้งนั้นมันเกิดได้ยังไง ที่ดีที่สุดนี่นะครับว่าในในคุรานเนี่ยหลายสงครามที่เกิดขึ้นสมัยท่านนบีสุลต่แลว้วก็มีการเล่าที่ไปที่มาของสงครามอย่างละเอียดจนกระทั่งเล่าความหลังเบื้องหลังของสงครามนีย่ย้อนหลังย้อนหลังเล่าสนานเลยและนี่คือส่วนหนึ่ง ทีอัลลอฮฺสุบฮานาห์วาตาลยได้เล่าเหตุการณ์เบื้องหลังของสงครามบาตรที่พูดมาตั้งแต่ตั้งแต่ต้นสูราเนี่ยจนถึงจนถึงอายะที่ยี่สิบเก้านะอายะที่สามสิบเนี่ยก็จะมาเล่าเรื่องที่ไปที่มาของสงครามนะด้าวสุบฮานาห์วาตา وإذا ي م ك ر ُ بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك و ي َ م ك ر و ن َ و ي َ م ك ر ُ الله والله خير الماكرين جرملك نعتبا د ا و ب ا تسيستها وان ب ا ي تجاؤ وستها و รงนี้หมายถึงว่าชาว ك شاو ك و ر ي ش ن ة وان أباي يمكرو َ و وان أباي ผู้ปฏิสทาเนี่เขาวางอุบายจะไม่ดีนะใครเริ่มวางอุบายผู้ปฏิสทาเขาวางคนเริ่มเป็นผู้ริเริ่มวางอุบายวางอุบายทําอะไรลียงสบิทูกะเพื่อกักขังกักขังเจ้าอูมหัมมัดกักขังท่านนบีมุฮัมมัดเอายักตูลูกะริข่าเจ้าเอายุคริจูกะริขับไล่เจ้า ออกไปอย่าบ้าเส่าท่านนาบีได้ได้อยู่ที่มั ก, การ์นี่ประมาณสิบสามปีสามปีสามปีแรกเนี่ยท่านนาบีดาว่าแบบลับๆทำลับอย่างไงเราหมายว่าไม่สามารถที่จะออกไปตามท้องถนนตามตอกตามซอย หน้าบ้านชาวบ้านเผยแิ่แลามเปิดเผยตัวเองว่าฉันเป็นนบีมามาฟังกุรอ่านไปอ่านกุรอ่านหน้ากับบ้านนี้ไม่ได้อัลลอ์ยังไม่อนุญาตอยู่อยู่ในขั้นตอนของของการเผยแร่ลับๆดาวซิรีอาลับๆยังไงอ่ะนด้ว่าคนในครอบครัวภรรยา คดีจะเพื่อนสนิทที่สุดไม่ใช่เพื่อนทุกคนด้วยนะสนิทที่สุดใครอ่ะอบูบักอุสมานเนี้ยคนในครอบครัวคนใกล้ที่สุดลูกสาวลูกลูกเนี่ยฮะแล้วก็ลูกเลี้ยง อ, นะอลีบนละอับดุลตริบคนที่อยู่รอบๆอบน บ, บีที่อยู่ใกล้ชิดเนี่ย แลคนคนแบบนี้นะไม่ต้องไปไปอ่านกุศอ่านหน้ากาบ้านอ่างนี้เขาก็อยู่ด้วยกันไงเนี่ยถึงเป็นดาวะสรียกดาวะลับอัลลั บ, ลบะอันธราชีรตะกัลอักรบีตุงเตือนจงเรียกร้องดาวะอาชีรตะกะหมายถึงว่าเครีดมิตรสหายใกล้ชิดพวกสนิทสนมของท่านเนี่ยดาวะเขาสะกด นนสวนมา ก, กบอกว่าสมปีปปบางทันบอกว่าห้าปีนะแบบนี้ลองคิดดูสิเพราะอะไรเพราะนบีคาดการนะว่าฟีดแบกที่จะเกิดขึ้นจากการเปิดเผยเนี่ยมันจะรุนแรงนบีก็พยายามพยายามที่จะไม่ไม่ทำอะไรที่กระทบผลประโยชน์ของเดาว่า ในในเชิงกว้างอลองคิดดูสิท่านนาบีต้องอดทนขนาดไหนสามถึงห้าปีจนกระทั่งคนที่ทนไม่ไหวเนี่ยด้วยด้วยการดาว่าแบบลับๆเนี่ยที่ทนไม่ไหวเนี่ยก็คือสาวกนบีเองบางรายงานบอกว่าอับดุลลาบาบีมาสูดนบี คนดินบวีดาว่าเนี่ยก็แอบนัดกันนัดไปที่บ้านอัลอรกมอิบนออับิลอรกมใครี่เคยไปเม ก, กาเนี่ยเคยไปสะแอมอื่นภูเขาโซฟานะพอคุณภูเขาโซฟาเนี่หันหลังให้ภูเขาโซฟาเนี่ขวามือเนี่ยขวามือเนี่ยก็จะเขียนเด บาบุลอาร์กัมประตูอัลอรกัมหน่วยอารกัมหันหลังให้ภูเขาสฟานะประตูแรกเนี่ยที่อยู่ขวามือนะเขาจะเขียนบาบุอัลอรกัมหน่วยอารกัมบ้านของอัลอรกัมอยู่ตรงนั้นน่ะอยู่ตำแหน่งนั้นเลยดูสิไกลจากกาบาแค่ไหนฮะอยู่ถ้าถ้าถ้าภาษาปัจจุบันหลังเขาเพราะส่วนมากชุมชนมักกะเนี่ก็จะอยู่ ร, บรอบๆกาบาไง และถ้าตระกูลไหนเนี่ยไม่ได้อยู่รอบๆเนี่ยก็บางตระกูลเนี่ยก็จะไปอยู่ไปอยู่ตามเขาของอัลอาลกัมเนี่ยก็เป็นตระกูลของกุเรชเหมือนกันน่ะแต่ก็ไปอยู่หลังภูเขาโซฟานเขาก็นัดนัดกันอาจจะอ่านกุตอ่านจะเรียนศาสนานี่นะก็ไปนัดบ้านอัลอาลกมซึ่งอัลอาลกมตอนนั้นน่ะอายุสิบห้าขวบสิบห้าขวบ ในบริบทของสังคมนู้นน่ะนะก็เป็นนายแล้วยังไม่ใช่เด็กชายนะเออสิบสามปีนี่มีเมียมีลูกแล้วนึกออกไหมอับดุลลออิบินอัมร์บินละอัศอับดุลลออลูกชายของอามร์บินลอัห่างจากพ่อเขาในสิบสามปี <laughs> <laughs> แสดงว่าพ่อเขาแต่งแต่งงานอายุเท่าไหร่นะสิสิถูกต้องมะห่างจากพ่อเขาใน13ปีแสดงว่าตัวเองจะแต่งงาน12ปีนึงตั้งตั้งขันปีนึงอ่ะพอดีเลออยอายุ13แล้วห่างกันสิบปีอะแล้วสิบห้ปีนะ่ะอันนั้นเป็นนายแล้ว คนสิบสองนี่เป็นนายแล้วแต่งงานแล้วมีลูกมีเมียมีลูกแล้วแต่ในสายตาของเราอะนะถ้าสิบห้าปีเนี่ยนี่เนี่นนยกฎหมายบ้านเรานี่ก็ยังเด็กชายใช่ปะ <laughs> สิบห้าปีนะถ้าตามบริบทในปัจจุบันนะ่ะเด็กชายอลอราระกัเนอระกบไปหาท่านนะ่ะอยู่กันนะ่บีคับเอาบ้านบม พรวกร ม, มีบ้านมีครอบครัวแล้วไงนบีครับเอาบ้านผมนี่มาเรียนที่บ้านผมเด็กชายเสนอให้ให้บ้านตัวเองเป็นโรงเรียนของของนบีจะขนาดไหนนบีก็สอนนบะีสอนสอนบ้าบางท่านเนี่ยทนไม่ไหวเนี่ยทนคือนะนึกออกมาเวลาจะเรียนจะอะไรนี่ก็ต้องแอบซ่อนต้นอยาให้ใครรู้นะยัย เพราะน บ, บีสั่งไว้ไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวแล้วอับดุลรับมานมอุสต์มีบางรายงานบอกว่าอับดุลรับมนมอุสต์บอกว่าไม่ไหวแล้วผมไม่ไหวที่อัมมดุลบมานมอุสต์ตอนนั้นน่ะก็ถือว่าเป็นซาบะคนหนึ่งที่ไม่ไม่ได้ไม่ไมี de, มตระกูลใหญ่เป็นชาวมะกาเหมือนกันอนะับดุลรับมาสอุสต์เนี่ยแต่ไม่ไมีตระกูลใหญ่ที่จะปกป้องเขาแต่คนอย่างน บ, บีก็มีตระกูลใหญ่คนซาบะอื่นๆนี่ก็มีตระกูลใหญ่เขาเขาก็เขาก็มีคนปกป้องคุ้มครองเขาอยู่แล้วแต่เขาก็ ไม่กล้ากลัวถูกทำร้ายเอาจเลิฟมอโตัวกระติ๊ดหนนไม่ไหวเราต้องเปิดเผยเราต้องเอาคุรานนี่ไปอ่านต่อหน้ามันบางรายงานบอกอับดุลโซนี้ก็ไปไปที่มะกอมอิบราฮิมเป็นนั่งมะกอมอิบราฮิมตะกอนุนะ่ะก็เป็นก้อนหินน่ะ เขาใจมะกอไมอ่บริหิมไหมมะกอไมอ่บริหิมที่เป็นโคมสีทองนันนะนะที่เป็นโคมสีทองอ่นะนะไอโคมนะมะั้นน่ะไม่ใช่ไม่ใช่ตัวมะกอนะไอโคมเนี่ยเขาคัสร้างขึ้นมานี่ยเพื่อเพื่อปิดไอก้อนหินน่ะและไอก้อนหินเนี่ยเดิมเนี่ยไม่ดีอยู่ตรงนั้นน่ะเดิมมันอยู่ใกล้กาบอ่ะทําไมอะ่ะมะกอมนี่คือที่ยืนอ่ะ นี่ น, นบีอิบราฮิมยืนแล้วก็ยกหินก้อนหินให้นบีอิสมาอลจะได้สร้างกาบเพราะกาบาเนี่มันสูงไ ง, งใช่ปะอันบีอิบรฮมนี่ยก็จะยืนมะกมที่ยืนของนบีอิบราฮิมมะกอิบรอฮีมถท่ทา น, นาบีอิบราฮมยืนในมะกอิบราฮมที่ปัจจุบันห่างจากจกาบานี่กี่เมตรเนี่ยกบสิบเมตรนะยืนอย่งเงยน่ะยนหิน่ะ เปนไปไม่ไตกอนน่นอยูอย e ู่ใกล้แล้วก็อัมาริบหนังสือข่าวบนในยุคขลาวาของมาร์เนี่ยเห็นว่ามากกอรบริมีแขวงเร่งตัวก็เลยขยายมาหน่อยขยายออกมาหน่อยแล้วมุลับนี่มาโซนี่ไปนั่งใกล้มักการบริมแล้วก็อ่านอัรมานอัลมัลกุรอานแคนั้นชามืกอกีให้อะไรอ่านอะไรมากันต่างคนต่างทุบตีต่อยชกเตะ จนกระทั่งเลือดไหลอ๋ไม่สหาบ้านี่มาช่วยไม่รู้ดิจมูกปากอยู่ไหนอยู่ด้านไหนเลือดหลังไหลหมดเี๋ก็เป็นบางรายงานเล่าว่านี่คือเหตุการณ์แรกที่มีการเปิดเผยอิสลามบางรายงานกว่าไม่ใช่เขาม่ริบนุชตะตาบตั้งหากเาไม่ริบนุชตะตาบตอนที่รับอิสลามเนี่ยที่ที่มีรายงานว่าว่า องคุลเขาตอบเป็นคนที่เกียรติอิสลามเกียรติท่านนาบีมากแล้วก็ได้ยินว่าท่านนาบีมุฮัมมัดนี่ทำให้เยาวชนที่มักกะเนี่ยเสียศา ส, สนาไปหมดไม่เคารพ บ, บูชาสักการะ เ, เ, เจเวิตต่างๆก็คือศา ส, สนาของบรรพบุรุษก็เลยตั้งใจว่าเออเนี่ยจะต้องต้อ ง, องชักด า, า, าบไปฆ่านบี ก็มีสาฮาบคนหนึ่งเจอว่ามไปไหนเพราะมันเขาต้องบอกว่าฉันจะไปฆ่ามูฮัมมัดกว่าอยไปทาเก่งอะไรกับมูฮัมมัดนี่คือเขาไม่อยากให้เขาถึงท่านนบีมูฮัมมัดไงเอ้ยอย่าไปเก่งอะไรกับมูฮัมมัดนี่ไปดูน้องสาวตัวเองนุ่นรับอิสลามแล้วเออมเขาต้องกยิงโมโหใหญ่เลยเรไม่รู้ไงว่าน้องสาวนี่รับอิสลามกรีไปนี่น้องสาวชื่อฟอติมาเนี่ย ไปก็ได้ยินเสียงอ่านอะไรแปลกๆฟอลติมาแล้วก็สามีแล้วก็ซอเบงท่านหนึ่งกำลังอ่านกุษอ่านกันอยู่พอได้ยินเสียงเขาตอบมาเด็วก็เลยเก็บเก็บเก็บกอุษอ่านเก็บเขาเขาตอบนี่เข้าตะกี้อ่านอะไรกันได้นว่าเธอรับอิสลามจริงหรือเปล่าจริงแล้วเขาก็เลยตกหน้า ตกหน้าเลือดไหลเลยถ้เหมือนว่าความเป็นพี่ชายอะนะพอตกหน้าน้องสาวนี่มันก็เหมือนวมัเขาต้องมีใจกระด้างอนะแต่พอเลือดมันไหลนี่มันก็เลยเรียกเรียกสติหไหนไหนอ่านอะไรกัน่ที่อ่านอะไรกัน เราไม่ต้องยุ่งอังอะไรกันรไม่ต้องยุ่งตบหน้าแล้วาวอะไรกันขอหน่อยขออ่านยไม่ได้เธอเป็นมุสลิกเนี่ยเป็นกาเฟ่เนี่ยคือไหนไหนรู้แล้วอ่ะนะเธอเป็นมุสลิมเนี่ยีุู่อ่านมาจับต้องไม่ได้อาแล้วจะได้จับต้องต้องทอะไรไปนุ่นไปอบน้ำเชดหน้าก่อนไปอบน้าก่อนของมันขับต้อที่วางแผนนี่ยจะไปฆ่านบีนะ กัรที่อยากจะรู้ว่าอะไรที่ทำให้น้องสาคนนี้เปลี่ยนเปลี่ยนไปเนี่ยเขไปอาบน้ำไปอาบน้ำนี่มาแล้วก็มาอ่านดิวิ่นางดิวินที่เขาอ่านนะท้าฮะมาอันซลนาอเลกอ์อัลกุรอานะลิตชกะอ้อมอ้อมเขาต้อมนี่ก็บอกว่าคำพูดแบบนี้นี่ไม่ใช่คำพูดของมนุษย์คนที่อยากจะเชื่อในศาสนาแบบนี้ต้องทำอะไรส ع มีสามีของ ของาติมานีบอกว่าอัลลอฮฺอักบาร์นี่น่าจะเป็นด ع อาของท่านนบีที่ขอให้ท่านวให้อัลลอฮได้เปิดหัวใจของท่านท่านนบีอยู่ที่บ้านอัลอุกมอุมบดุลขตามก็เลยไปบ้านอัลอุกม์เคาะประตูใคราะอุมะดุลขตามอุมะดุลขตามกบ เอที ja j at, j at, j <laughs> ่รู้กันนะว่าเขาองเหมนว่าจะจะฆ่านบีจะตอนนั้นม za อนมุทบเนี่ยลุงนบีเนี่ยซึ่งมีชื่อเสียงว่าคนคนก้าหาญก็เหือนอัลลมันขตอบไม่พอๆกันล่ะโหก็ไม่ต้ t งกลัวมันเข้ามาแต่มันจะเอาชีวิตแล้วก็เอาชีวิตมันแต่มันจะเอาดีแล้วก็พูดดีพอมันขตอบนี เขาเปิดประตูอัมรเขาต้องมาเข้าท่านนบีก็เลยลุกขึ้นแล้วก็แล้วก็ไปดึงเสื้อขตอบดึงอมาอานแลก็ย่าอัมารมันเป็นทงเวลาริ่งอัลมารอัลมารก็กล่าวอัลลอฮฺเราเล่าให้ลลออัลลอฮฺเราพรสุลลตอนนั้นอัลมาเขาตอบบอกว่าทาไมท่านและพวกเราจาต้องมาแอบเรียนรู้กุอ่านกัน ถึงวันนี้เราต้องออกแล้วเราต้องออกประกาศออกไปแล้วใครจะใครจะมายุ่งกับเราดูดู่าจัดการเองตัวบริษัห้านี่ก็ออกกับคนะมนตรีเขาตอบเนี่ยไปตวัวฟัลขั้งแรกยังเปิดเผยนะตะวัวฟัลขั้งแรกครั้งนั้นนะ่ะที่ประกาศว่ามีละมีคําว่าอมุมม่าอิสลามิยะละมีประชาชาติละเดิมตวัวฟประกาศ ตนว่าเป็นมุสลิมกันฑ์น บ, บีอยู่ในช่วงนี้เกือบห้าปีนะแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มเปิดเผยเพราะตนเปิดเผยนี่ไม่ใช่ว่าจะสบายนะนบบน ก, ก็ถู ก, กรลงแกถูกข่มเหงเหมือนกันเกือบสิบปีหรือเจ็ดปีชีวิตของท่านน บ, บีเขาจะแบ่งแบบนีย้ยุคที่อยู่มกักกะยุคที่อยู่มาดีนะ ยุคที่อยู่มักกะแบ่งเป็นสองช่วงช่วงเผยแพร่ลามแบบลับๆและก็ช่วงที่เผยแพร่ลามแบบเปิดเผยทั้งสองช่วงที่อยู่ที่มักกะนี่นะก็ยังถือว่าเป็นช่วงที่ท่านนาบีถูกกรังแกถูกข่มเหงถูกกดขี่เหมือนกันถึงแม้ว่าท่านนาบีออกแล้วเนี่ยกาวะเดหลังจากที่เปิดเผยแล้วอะนะไปดาวะตามถนนเลย ตามปากซอยแบบเจอใครนี่ดาว่าเลยไปถึงบ้านเลยคนฮัจีฮุญาติมานี่มามาทำฮัจีกันที่ที่มา ก, กา์นี่ก็ออกไปดาว่าเลยนี่เปิดเผยเลยนะจะละมาดจะอะไรจะประวัติน่ากับบ้านนี้ก็เปิดแต่ก็ก็ยังโดนถูกคมเหงโดนรังแก่ถูกทำร้ายร่างกายก็เคยไม่ใช่ว่าแบบสบายๆนะ กนนารดาวะที่มักกะซิบสามปีนี่ก็ก็ถือว่าอยู่ในสภาพที่ยากลำบากตัวนบีเองก็ไม่ไม่ได้อยากที่จะอยู่ที่มักกะอยากที่จะออกไปดาวะที่อื่นแต่ไม่ได้รับอนุ ญ, ญาตจากอัลลอฮฺสุภาหน้าอวดาพอรับอนุญาตจากอัลลอฮฺสุภานัวดานาบีก็ทดลองที่จะไปดาวะพื้นที่อื่นขอให้มีคนมาปกป้องมาช่วยเหลือเขาไปต่ออิฟ เริ่มและพอไปต่ออิฟแล้วนี่นะชาวมากักการนี่เริ่มละเริ่มรู้ละ ว, ว่านาบีมุฮัมมัดเนี่ยขยายยุทธศาสตร์การดาวหะเพราะนบีมีแผนมุฮัมมั ด, ดมีแผนอะไรหรือเปล่าจะทำอะไรหรือเปล่าก็เลยรวมตัวกันทนไม่ไหวละนั่นน่ะในปีที่สิบสามะซึ่งตอนนั้นหลังจากต่ออิฟนี่ก็มี ชาวมดีนาเนี่ที่มาทําฮัตสองปีอย่างต่อเ น, นื่อก็มาเสนอให้ท่านนาบีอพยพเหมือนกันแต่ชาวการส่วนมากนี่ก็ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ค่อยส่วนมากนี่ยไม่มีใครรู้แต่เขาเริ่มรู้สึกว่าท่านนาบีมุฮัมมัดนี่มีแผนที่จะที่จะขยายวงล้วแค่อยู่ในมะ ก, กาเนี่นะเขาก็เดือดร้อนแล้วและท่านนบีมุฮัมมัดนี่ขยายวงดาวะเนี่ยเขาจะเป็นยังไงก็เลยเรียกประชุม ก่อนหนุ่มมีที่ประชุมเขกกันดารุนอันนดัวมันเป็นบ้านที่ปู่ทวดของนบีเนกุซัยอิบเนกาเลมนี่ได้สร้างไว้ให้เป็นสถานที่ประชุมของผู้หลักผู้ใหญ่ที่มากกรเขาก็ประชุมกันประชุมกันผู้ใหญ่ของชาวคูเรชที่เป็นกาเฟ่นะนะก็ประชุมกันที่ดารุนอันดัวและในขณะที่เขารวมตัวกันแล้วนี่ก็มีคนอาวุโส ในรายงานของอเราตอนนี่พบะเว่าหน้าตานี่ดูเหมือนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่หน้าน้านับถืออาหุโสมอายุมากแล้วหน้านับถือน้ำเสียงหน้านับถือแต่ที่จริงเนี่ยก็เป็นอิบลิสนันเองเป็นใครผมเป็นคนมาจากเนชตำบลเนชแล้วก็อยากจะประชุมกับพวกท่านเนี่ยเพื่อ ฉันเนี่ยมีประสบการณ์ที่จะแนะนำได้พอเข้าประชุมแล้วเค็ต่างคนก็เสนอว่าจะทำยังไงกับท่านนบีมุฮัมมัดก็มีอยู่คนหนึ่งเสนอบอกว่ามุฮัมมัดนี่ก็เหมือนเหมือนพวกนักกวีพวกพวกนี้พวกนักกวีที่เข้า อ่านกรอนอะไรเงี้ยฉะนั้นเราก็กักกักขังนบีมุฮัมมัดรอให้รอให้ใหมุฮัมมัดดี์ตายไปเลยก็เหมือนนักกวีเป็นร้อยคนในทั่วข้ามสุวดอรลลัมเนี่ยตายไปแล้วก็แล้วกันไม่มีใครไม่มีใครจะสนใจอคนอาอุโสคนนั้นเน่ไม่ได้ถ้ากักขังเนี่ยเดี๋ยวเขาก็มีสาวกของเขามียาติพี่น้องของเขา เดี๋ยวเขาก็าปกป้องแล้วก็จะเป็นข่าวแล้วก็รู้ไปเรื่องพวกเอะน่าเดร้อนถ้ากักขังเา้าอะะเดรอนอีกด้นาน ห, หนึ่งบอกว่าถ้าอย่งนั้นเราก็ขับไล่ไปเลยดึงส้นเรื่องขับไล่หมามัดออกจากมักกาไปเลยชายอาวุโสคนนี้ก็บอกว่าไม่ดีไม่ดีถ้าขับไล่ไปแล้วพวกเจ้าก็เห็นนั่น มูฮัมหมัดนี่ยพูดกับใครนี่นะคนนั่นก็หลงเลยนับถือศาสนาอิสลามเลยถ้าขืนปล่อยให้มูฮัมหมัดนี่ออกไปในตำบลต่างๆเมือง ต, ง, ตงต่างข้าบสมุทรอาหรับเนี่ดูคนเขา ก, ก, ก็มามารวมตัวกันเชื่อนับถือศาสนาอิสลามแล้วก็มาบุกเมืองของพวกเจ้าเนี่ยขับไล่พวกเออเขบอกว่าเออท่า น, นไม่ขับไล่อบูจาล ท่านจะมีความคิดที่ยอดเยี่ยมพวกเราทุ ก, ทกตระกูลในเผ่ากุเรกุเรซีมีหลายตระกูลทุกตระกูลเนี่ยเสนอเยาวชนสักคนหนึ่งที่แข็งแรงให้รวมตัวกันทุกคนเนี่ยชักดาบไปฆ่ามุฮัมมัดซะเพราะฉะนั้นชีวิตของนบีมุฮัมมัดเนี่ยก็จะสูญเสียด้วยน้ำมือ โดยน้ำมือของทุกส่วนของตระกูลในกุเรชเป็นสิบสิ บ, สบตระกูลเลยพวกบานูฮาชิมตระกูลของนบีก็ไม่สามารถที่จะแกะแ้แค้นก็จะยอมที่จะรับค่าทดแทนอย่างเดียวก็สิ้นเรื่องชายอาุสุ ก, บกวบกนี่นี่ น, น, นี่ไอเดียเนี่ยที่ถูกต้องอม l a h ว anawad a ล a k a l l a uthamsam t a s n i ว่าไอ้เี๋ยวมคงรูบิกัลละีนักฟารุลงรำลิกขนาทิบันดาผู้ปฏิเสธทธาวางอุบายต่อเจ้าเพื่อกักขังกักขังนบีมุฮัมมัดซะ liusbituka กักขังเอายักษ์ตัลูกกักักขังนี่ที่เขาบอกว่าเหมือนนักอวี๋คนหนึ่งกักขังจนตายแล้วก็ตายแล้วไม่มีใครตามถึง ข้อเสนอเนีンン่ยก็มีอีกอายันหนึ่งที่อัลลอฮ์ได้เล่าทัศน์เนี่ยในจุดอัตูร์ทียมกูลูนั้นช اع รุนนัรบัศวิหิไรเบย์นะแต่นี่ตอ๋วตั๋วที่เขามองว่านบีเนี่ยเหมือนนักวีคนหนึ่งทา่มีกูลูนะหรือเขาจะบอกว่าเขาจะพูดด้วย เอามีกูรู้นะหรือเขาจะกล่าวว่าชาอิรุนมุฮัมมัดนเปียงเป็นชาอิรชาอิรไปว่านากวีคนหนึ่ง น, นัตราวบาสุวีอะไรแบบนูนเราก็รอให้เขาตายซะก็เหมือนนักกวีเป็นร้อยๆยคนในะอยู่ที่คาบสมุทรอะไรตายไม่มีใครถามถึงแต่ขอให้ก็อยู่ตรงนี้ให้ไปไหนกักกักขังก็อยู่ที่นี่ไปไหนในสุรตตูล ت س ن ا ن ة دي ب ق و ل ا ي ك ب ل ا ي النبي محمد يعني. ف سورة الإسراء الله قال يفوت حسناء وإن كادوا لاستفزنك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلة. ل َ و َ ي و َ ن ْ ع َ م ْ لَكَ و َ ل ل َّ ه ُ م َّ ا ت َ ع ْ ل َ م ْ ن و َ م ت َ ع و َ ا ل ه ُ ا ت َ ا م َ و َ ن แผ่นดินมา ก, ก้าเนี่ยจนกว่าจะต้องขับไล่เจ้าเนี่ยให้ออกไปแผ่นดินที่อื่นเลยแต่ในอายะเนี่ยอาม่าได้เล่าหมดเลยเหตุทัศนะเหตุการณ์นั้นทัศนะทั้งหมดเลยลิอุสบีตูกะกักขังเขาเอายับกตุลูกะหรือฆ่าเจ้าเอายุคริจูกะหรือขับไล่เจ้าออกไป เขาวางอุบายกันและอัลลอฮฺกระซงวางอุบายวัยมกรุลลอฮฺอัลลอฮฺข่ายุลมาคิรินละอัลหมานั้นทรงเป็นผู้เยี่ยมกว่าในหมู่ผู้วางอุบายพอเขาเลือกแล้วที่จะคัดเดยาวชนจากทุกตระกูลคนหนึ่งที่แข็งแรงพาดาไปด้วยนะ่าจะได้ไปฆ่านาบีแล้วก็ไปรอที่ตนาบ้านนาบี ฟาติมานีลูกสาวท่านนาบีนี่ก็บอกกับท่านนาบีบอกว่าเนี่ยชาวโคเดสเนยเขารวมตัวกันมาค่าท่านแล้วท่านนาบีก็บอกว่าไม่ได้อัลลอฮฺสุภานวะตาเาจะคุ้มของฉันนบีก็เลยหยิบทรายแล้วก็หินแล้วก็ขว้งทรายและหินเนี่ยต่อหน้า คนที่เข้ามาชุมนุมกันหน้าบ้านอัาบชา่าทีูู่ขอให้ใบหน้าของพวกพวกคนเนี่ยถูกทำลายหมดถูกทาลายหมดอต่จะเขารวมตัวกันทุกคนเนี่ยก็ชักด่าที่จะมาฆ่านบีเนี่ยพอโดนพอโดนทรายเนี่ยทุกคนเนี่ยก็หลับหลับไปหมดเลยตอนนั้นนบีเนีน่ยกวางแผนกับอบูบักรสุดีิกล้วที่จะอุเยบก็ให้ท่านอาลีบินอบดุลอลบ นอนบนเตียงของท่านที่บ้านแล้วท่านก็ออกอ ก, ออก็ออกออกมากาโดยที่ชาวกุฎินี่พวกตัวแทนเขาเน้าในที่จะไปฆ่านาบีเนี่ยก็ยังนอนอยู่หน้าบ้านนะ่ะนะพอตื่นแล้วนบีออกไปแล้วนะ่ะนบีหนีออกนะั่งออกมากาไปแล้วนะ่ะพอเขาตื่นแล้วอ่ะนะก็ก็เข้าไปไปในบ้านนาบีนะ่ยก็เห็นมีคนนอนอยู่ พอจะลงมือจะฆ่าเขาแล้วนี่นะกับผมเทวเ็นทนาลิบเนบีตอลิบเนี่ยอุบายที่เขาวางไว้หมายถึงว่าอุบายในการที่จะฆ่านบีแต่โลกสุภานุโวดาเราก็ก็วางอุบายของพระองค์ท่านที่จะปกป้องท่านนบี อัลมากรเนี่ยนามคองค่ามวยอัมกุรุนีอัลมากรเนี่ยเาว่าอุบายเนี่ยมันเป็นกริยาที่ไม่ได้ถูกใช้เชิงบวกส่วนมากฟังแล้วมันลบหน่อยแต่เราจะบอกว่าวยอัมคุรุนะเขานิว่าอุบายก็ใช่เขาอุบายวยัมคุรุละละละวางอุบายเอนะก็จะใช้กับอัลลอ์ได้ไง อนี้เกอ فعال อ ف ع و, ا ริสฟตกริ亚าบัลหกริยาตอบโต้เขาเรียกคุณลักษณะตอบโต้เขกอ فعال มุควาบัลลริสฟัตุมุควบัลลหมายถึงว่าจะใช้ในเมื่อตอบโต้ฝั่งตรงข้าม แต่จะเป็นพระนามจะเป็นคุณลักษณะของอัลลอฮ์โดยเอกเทศนะไม่ได้เราจะบอกว่าพระนามของอัลลอฮ์นี่อัลมากิร์ผู้ทรงอุบายนี่ไม่ได้เราจะตั้งชื่ออับดุลมากิรเนี่ยอับดุลมากิรไม่ได้อัลลอฮ์ไม่มีพระนามว่าอัลมากิรนะผู้ทรงวางอุบายเนี่ยไม่มีในพระนามเนี่ย แต่มันเป็นเครื่องพระนามตอบโต้อินนาฮุมยากีดูนาไกดะเหมือนกันเนี่ยเขามีอ um ุบายว่าอากีดูไกดะและฉันก็วางอุบายของฉันฉันก็วางอุบายของฉันคําว um ่าอุบายนี่มันลบหน่อยฉะ น, นั้นความหมายคุรอศานเล่มบางเล่มมันะอย่างของอาจารย์ทีเด็กเนี่ยเขาไม่ใช่คําว่าอุบายเขาใช้คำว่าแผน พวกเขาวางแผนแล้วก็อัลลอ์ก็วางแผนจะได้ดูเบาหน่อยแต่ที่จริงเนี่ยไม่จำเป็นหรอกคือตรงนี้ไ ม, ไม่มันไม่ได้เป็นค่อได้ว่กมันไม่ใช่มันไม่ใช่ซีฟาตนักมันไม่ใชมันไม่ใช่เป็นคนณลักษณะนาตำหนิในเมื่อเป็นการตอบโต้ไงอัลลอฮุคอยรุวาเกรรนเราเราได้ไประโยชน์อะไรล่ะ เล่าเรื่องนี้เนี่ยเพราะมันเป็นอายะที่ที่ลงรายละเอียดของเหตุการณ์ก่อนที่นบีอพยพนบีไม่ชีไม่ชีว่วอาอยากจะอพยพแต่มันเป็นเหตุการณ์จําเป็นที่ชีวิตของท่านนาบีอยู่ที่มะกาเนี่ยเสี่ยงแล้วขนาดนี้ นบีจําเป็นต้องอพยพแล้วไงเพื่ออะไรอ่ะนบีอพยพเพื่อปก ป, ป, ป้องชีวิตของตัวเองและปก ป, ป้องการดาว่าการเผยแพร่ศาสนาซึ่งเป็นสิทธิที่ทุกคนเนี๋ยต้องต้องพึงมีเพราะนบีอพยพไ ป, ปอยู่ที่มาดีน่าแล้วเอา้าก็เลิกกันแล้วสิต่างคนต่างอยู่ใช่ไหมต่างคนต่างอยู่พวกเองอยู่ที่มักกะเันก็อยู่ที่มาดีนะ่าฉันก็ ฉันก็อย <me> ู่ชาวมาดีนาส่วนมากเขาก็โอเคกับฉ <spe> ันพวกคุณไม่เอาฉันก็ไม่ต้องเอาแต่ชาวมาดีนาสเนี่ยเขาก็โอเคกับฉันไม่ไม่ปล่อยก็ยกทัพไปหาท่านนบีสุลตัลลาะหอะลัยฮุสเซลัมแสดงว่าสงครามบาตรเนี่ยมันเป็นสงครามที่นบีปกป้องสิทธิของท่านนบีนบีไม่ได้ตั้งใจที่จะไปมาก้าไปบุกมาก้า นบีอยู่ที่มดีนาเนี่ยตัง้งมั่นแล้วที่จะทำงานศาสนาไม่ยุ่งแล้วกับชาวกรชฉะนั้นการปกป้องสิทธิของท่ ی خ ی خ وب, านนบีในการเผยแพร่เนี่ยนี่คือความชอบธรรมของการทำสงครามบัตรนบีวางอุบายไม่ที่จะไปค้าใครอยูมากเปล่า นบีนบียกทัพจะได้ไปไปบุกมักกะและกะ็ยึดมักกะเปล่าแสดงว่าสงครามบม้านเนียมีความชอบธรรมอย่างแน่นอนก า, ารศึกษาเรียนรู้ที่ไปที่มาของสงครามเนี่ยก็จะได้ให้พวกเราได้เห็นว่าอย่างไรก็ตามมุสลิมเนี่ยจะต้องพยายาม วางแผนให้การทำงานของศาสนาของเขาเนี่ยมีความชอบธรรมมีเหตุมีผลโดยเฉพาะถ้าหากว่าถึงขั้นที่จะต้องลงมือแลว้วก็มีความรุนแรงนะทำสงครามแล้วลงาสงครามแล้วต้องมีความชอบธรรมทำไมต้องทำสงครามเขา ก, เขาก็เขาก็ไม่ปล่อยไงเขาก็จะเอาชีวิต เขาก็จะเอาชีวิตนบีเอาชีวิตสหาบยไม่พอนะก็จะห้ามด้วยไม่ให้นบีไม่ให้สหายนี่ได้ได้เผยแพร่ศาสนาแล้วก็แบบนี้จะอยู่กันยังไงฉะนั้นการต่อสู้ของท่านนบีสัลลัลลอฮฺ้วะแลฮมก็จะเป็นแบบอย่างให้พวกเราเนี่ยได้ได้ศึกษาแล้วก็เรียนรู้เพื่อนํามาเป็นบทเรียนในการ ในการในการให้การทํางานศาสนาในทุกยุคทุกสมัยเนี่ยมุสลิมแบนัมุสลิมไม่ใช่อ่อนแอมุสลิมไม่ใช่คนขี้ขาดมุสลิมไม่ใช่คนที่ยอมยอมอะไรทุกอย่างแต่มุสลิมจะไม่ไม่ไม่ค่มเหงคนอื่น ไม่ยึดสิทธิของคนอื่นพวกเองอยู่ที่มักกะนี่นะแขวนเวิตบนกาบะของอัลลอฮ์นี่นะน บ, บีปล่อยเขาในสิบสามปีเนี่ยไยมยังไม่นั่นแหละไม่ข่มเหงไม่ไม่มไ ม, ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่บังคับคนอื่นแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ว่า ไม่ใช่ว่าเราจะปล่อยคนอื่นแสดงว่าเออมาทามาทำเราได้นะครับการต่อต้านนาบีสุลต่านว่าอะไวะัลไม่ได้เป็นการต่อต้านด้านการทำร้ายร่างกายด้านวางอุบายในการเข็นฆ่านาบีขับไล่นบีขับขังนบีอย่างเดียวไม่ใช่เขาทำงานวางแผนอย่างรอบครอบ เชคเช่นที่มีสงครามด้านอาวุธและมีสงครามด้านความคิดเึ่งนี้มีตั้งแต่ดึกดำบันตั้งแต่สมัยนบีมุฮัมมัดเนี่ยเขามีด้านอาวุธนี่ก็มีเราจัดอาวุธเนี่ยแต่นานบีทำสงครามมีแล้วก็มีสงครามด้านความคิดทําไงอ่ะอะไรที่ทําให้ท่านนบีเนี่ยถูกนับถือถูกเชื่อถือ เมื่อท่านนบีไปนำเสนออิสลามแล้วเนี่ยคนก็จะยอมรับในท่านนบีอะไรเนีนบีใช้อะไรใช้กุรานไงฉะนั้นเราก็ต้องเบสเบสเครดิตกุรานให้คนไม่เชื่อกุรานให้คนมองว่ากุรานนี่เป็นเรื่องธรรมดาเขาก็เลยบอกว่าอีดะตุตละอาไลมอายาตุนากาลูคดซาเมือเน لونشأ لقلنا مثل هذا إن هذا إ أ إلا أساطير الأولين. แล้วเมื่อบันดาอคงการของเราของอัลล์เนี่ยถูกอ่านให้แก่พวกเขาฟังพวกเขาก็กล่าวว่าเราได้ยินแล้วหากเราประสงค์แน่นอนเราก็พูดเช่นนี้แล้วเราก็พูดเช่นนี้แล้วเนี๋ยพูดได้ แบบที่นายมมูฮัมมัดนี่เราพูดมาแล้วเราพูดได้เราพูดเช่นนี้แล้วสิ่ง น, นี้ใช่อื่นใดไหมนอกจากถ้อยคำที่ถูกขีดเขียนไว้ของค น, ค น, คนก่อนเท่านั้นอันับดอิบดุลฮารสิสชาวมั้กาคนหนึ่งเป็นนักเดินทางไปเปอร์เซียไปโรมัน แล้วพอไปไหนเนี่ก็จะชอบไปนั่งคุยกับชาวเมืองอ่ะไปคุยกับเปอร์เซียคนเปอร์เซียนี่ก็รับเรื่องเล่าของอารยธรรมของเปอร์เซียอารยธรรมของเปอร์เซียนี่ก็ติดต่อกับอารยธรรมอินเดียอารยธรรมจีนนะนะอาจจะมีการเล่าสามก๊กด้วยนะเพราะสามก๊กนี่ก่อนนบีมุฮัมมัดนะยุค ข, ของสามก๊กนี่ก่อนนบีมุฮัมมัดนะ อารยธรรมจีนกับอินเดียเนี่ยนะก็ติดกับเปอร์เซียก็เรื่องราวอะไรของของคนเอกอาญามีอาญามีคนนี่ไม่ใช่อาราบนนะโอ้ยเขาไปไปติดต่อแล้วก็ฟังหมดไปโรมันเนี่ยพวกฝรัง่งโอ้โฝรัง่งกรีซใครแต่ใครนี่เราเรื่องแล้วก็มามม ก, กาเนี่ยตันะ้งโต๊ะเล่าข่าว ไมโอ้คนนี้มาจากเมอร์เซียคนนี้มาจากโรมันเนี่ยนี่กษัตว์เมอร์เซียมันเป็นอย่างงูนเรืนเข้าวังเขาเป็นอย่างนี้เขาเคยไปทาสงครามสนุกเสี่ยของแบบเนี้ยอการสามกกนี่สรุกว่าก็จงอ่า น, นสุปมาบางคนมีอสามกกนี่มีรู้กี่เขาต่าแล้วเนี่ยแต่กูอ่านไม่เาต่ำซะครั้งหนึ่งแล้วเวลาอ้างนี่ก็จะอ้างอ้า ง, อ า, งอายาจากสามกย่างเดียวอ้าง อ่างคงเบ่งอ่างอะไแต่จะอ่างสักไอ้ย่านี่งอ่างไม่เป็นนะจะไม่ไม่ออก <c oughs> เล่าในะเรื่องเบอร์เซียเรื่องโรมันนะ่นะเราต้องมีหาดบอกว่าสนุกไหมสนุกไหมที่ฉันเล่าเนี่ยดีกว่าที่มุฮัมมัดเนี่ยพูดกับพวกเองไะดีกว่าไหมาเออที่มุฮัมมัดนีนะ ฉันก็เล่าเป็นฉันก็เห่ามันกันเอาซะดิหเหมือกับของที่เขาเขียนกันมาที่ทีฉันไปอ่านไปศึกษามาแล้วก็นนี่ของฉัน่องสนุกกวนกออญญเนี่ยที่ไปที่มาของไอ้เนี่ยนี่เขากล้าออกมาพูดใส่ร้ายนี่สงครมด้านความคิดนีน่คนนี้ไม่ได้ชักดาบไปฆ่านบีคนนี้ไม่ได้อยู่ในที่ประชุมเสนอ กักขังนบีขับไล่นบีฆ่านาบีนั่นะนคะนนี้ไม่ได้มีไอเดียรุนแรงแต่ไอเดียของเขาเนี่ยในการที่จะหักล้างกุ ร, รานในการที่จะลบล้างเดสเครดิตกุ ร, รานนี่นะร้ายกว่าอาวุธและการทำสงครามเนี่ยมันมีตั้งแต่นู้นเลย ไรแรงกว่าการที่จะเอาอาวุธแล้วก็บังคับพยาวชนไม่ให้ละหมาดบังคับพยาวชนมุสลิมไม่ให้อ่านกุมภานไม่ได้ผลเฮ้ยมาซูบุรีกันมาคุยกันมาเล่นเกมกันมากินยากันมามาดื่มน้ำท่อมกันดื่มกัญชากันใช้อาวุธไหม ไม่ได้ใช้อาวุธแต่มันเป็นสงครามด้านสมองทำลายสมองมมเมานะดมท้ายก็ก็นี่แหละตั้งโต๊ะเล่าข่าวครับเมาข่าวกันะเมาเมาเรื่องเล่าไงเมาเหมือนนันนะ่ะอันตรายกว่าการทำสงคราม แล้วคนนี้มุ่งที่จะทําลายกุรอ่านเนี่ยเอียงเปิดเผยนะจนกระทั่งนบีบอกว่านี่สงครามบาตรนี่นะสงครามบัตรเนี่ยคนที่ออกไปสู้รบกับท่านนบีเนี่ยทั้งคนที่ชักดาบมุ่งที่จะฆ่านบีนะเป็นนักรบองอาจกล้าหาญอันนี้นบีจัดการ <c oughs> สอฮาบ้าจัดการ น, นักเรียนทหารนี่ก็ไม่ใช่นักรบนะแต่เก็ออกในสงครามบัตร นาวีก็บอกว่าคนนี้นะเหมือนนักรบเลยใครเจอนี่ก็จัดการได้เลยเพราะอะไรอเพราะสงครามของเขาเนี่ยก็ร้ายแรงกว่าสงครามทางอาวุธสงครามสงครามที่ใช้อาวุธเนี่ยมันทําร้ายร่างกายมันทํำร้ายสรีระอวัยวะเขามารบกับเราเขาฆ่าเรา แต่เขาไม่สามารถที่จะทำลายศาสนาเขาไม่สามารถที่จะทำให้เราเสียหายอาคิเรอเสียหายผลบุญเสียหายจุดยืนอุดมการคำสงคมนี่ขาดไปมือไปข้างหนึ่งขาดจมูกหูขาดนะอาวัยวะที่มันสูญหายแต่จิตใจนี่ยังเข้มแข็งยิ่งคนที่บว่า เสียสละในสมรภูมิในสงครามเนี่ยบางทีก็มีกำลังใจตอนที่ไปตุรกีเนี่ยก็ไปพบไปพบนักนักสู้ที่เขาสู้บัชชานี่นะแล้วก็บางคนก็ขานี่ก็ขาดนิ้วขาดมือขาดก็ถามว่า เป็นยังไงมีกําลังใจไหมโอ้ล่าฮัมดุลิลลัที่สบายใจเนี่ยในโลกดุนยาเนี้ยสบายใจเนี่ยว่ามีส่วนหนึ่งของอวัยวะของฉันนี่นะไปอยู่ในสวรรค์เสียก่อนฉันก็พยายามประคองอวัยวะส่วนอื่นเนี่ยจะได้ตามมันดูเขาคิดเขาไม่ถือว่าไอ้ที่ขาดไปนี่มันสูญเสียนะเขาบอกว่ามั น, ม, นมันไปสวรรค์น่ยไปรอเป็นพยานให้เราไง สงครามนี่เขาทำลายร่างกายจริงแต่เสริมกําลังให้หัวใจแต่สงครามทางสมองทางปัญญาเนี่ยไม่เหลือเลยครับพี่น้องสมองก็ไม่เหลือแล้วก็สุดท้ายเนี่ร่างกายก็ไม่เหลือเหมือนกันอย่างที่เราเห็นกันซึ่งมันเป็นคําพูดที่เ้าจ ะ, จ ะ, จะชอบใส่ได้กูอ่านกันมาโดยตลอด إن هذا إلا أساطير ا ل أ و ل ي ل ب ا ل قرن ق ن ب เร ل م ب ي ب ن ا و ل ا ن ب ي قل ل ل ؤ ة ر ن َ ر ن َ أ ن ْ ن ر ن ق َ قَبْحُ ق َ ب ب ْ ح ب ْ ح ُ قَبْحُ قَبْحُ ق َ ب قَبْحُ قَبْحُ قَبْحُ ب ْ ح ُ قَبْحُ قَبْحُ قَبْحُ ق َ ب ْ ح แล้วจ ah al ay ah ah ึงบอกว่าแล้วก็แต่การในสุเรื่องนี้มีอุทาหรณ์เราเล่าเรื่องบรรดาเีรูซาลที่เขาเผยแพร่ศัจธรรมแล้วคนที่ปฏิเสธศัจธรรมและการลงโทษมันเป็นยังไงมีไอ้เปล่ามีอุทาหรณ์อุทาหรณ์นี่คนรุ่นหลังเนี่ยได้เปรียบเทียบได้ได้มีตัวอย่างกับตัวเอง กับสิ่งที่ท่านนาบีกําลังตักเตือนกําลังเทศนาอยู่จึงไม่เป็นเรื่องเล่าทั่วๆไปแล้วอ่านสามก๊กก็เป็นเรื่องเล่านะสนุกแต่บางคนเขาก็บอกวโ อ, นอน้นี่อ่านเรื่ออ่านเรื่องสามก๊กนี่บริหารเก่งแต่เขาก็มีขีลนะ่าน่ยบางคนอ่านอ่านสามก๊กนี่บา ง, บ ง, บงคนบอกว่าคบไม่ได้เหมือนกั น, น แต่มีกี่ใครบอกว่าคนที่อ่านกุฎอ่านเนี่ยคบไม่ได้อ่านสามก็สามจบนี่นะ่ะสามข้อต่ำนี่เนะี่ยคบไม่ได้แล้ววันนี้สาสมกุฏทาไมอะ่ะคือแค่ซึมซับอุบายของของเบ้งกับอกับโจโฉกับไปพวกโอ้โหนี่ไปกันใหญ่แล้วมีความลึกลับของพวกนี้เนะี่ยคบไม่ได้แล้วแต่กุฎอ่านนี่ ยิ่งอ่านกีจบนี่นะยิ่งมีคุณธรรมมากขึ้นยิ่งซื่อสัตย์ยิ่งน่าเชื่อถือมากขึ้นนี่ข้อแตกต่างระหว่างเรื่องเล่าอลกุรอานก็เป็นเรื่องเล่าอ่านเรื่องนบียูซุฟสิอ่านเรื่องนบียูซฟุฟให้เยาวชนอ่านเรื่องนบียูซฟุเซฟเขาจะได้มีความบริสุทธิ์ไม่หลงกับเพศตรงข้ามไว่านาบียูซุฟเนี่ยปกป้องตัวเองเรื่องเรื่องการหลงกับเพศตรงข้าม อ่านเรื่องนบีตั้งหลายเนี่ยมีบทเรียนมีอุทธรณ์มากมายไม่มีใครอ่านกุรอ่านแล้วก็อ่านแล้วก็แบบว่าจะจะมีแบบ ว, ว่ามีแง่มุมที่เหลี่ยมหรือหรือเป็นคนที่แบบว่าจะไม่ไ ม, ไม่ไม่มีความซื่อสัตย์เนไม่มีเลยยิ่งอ่านกุรอ่านยิ่งมีคุ ณ, ณธรรมยิ่งมีความซื่อสัตย์มากขึ้นนี่คือข้อแตกต่างระหว่างเรื่องเล่าที่อยู่ในกุรอ่านแล้วก็เรื่องเล่าอื่นๆที่ไม่ใช่กุรอาน มันเทียบได้ชาวคริสต์คนหนึ่งเป็นนักขตนิสตร์เขารับอิสลามนี่เพราะเรื่องเล่ากุษานเรื่องเดียวสั้นๆ ส, สามบรรทัดเข้าอิสลามนี่นะอ่านกุษานได้ความหมายกุษานจากเพื่อนมุสลิมอ่านอ่านเขาก็รู้สึกมันยุติธรรมดาธรรมดาพอถึง ถึงก่อนที่จะจบเนี่ยสูรัตอัลมาซัดเคยอ่านไหมอัลมสซัดเคยอ่านไหมนเรานี่จะจะจ ะ, จะท่องจำกุณอ่านนี่ด้วยสองคำแรกของสุรช้อสุรานี่จำไม่ได้เลยแต่บัาดี้ได้จำได้ไหมอ๋อราะมาทึงสุรัตอัลมาซัด ตบตยดาอบีลห์บวตบม้อัลน์ะน์หมัลุห์ว่มาคัซบซีอัลนาร์น์าตลาบมรอดูพม่าลัตอัลฮัตฟ์จิดีฮะบมัสตลุงของนบีอัมุฮ์นาตแล้วมือของอบูลาบทั้งสองทรัพสินของเขาช่วยไม่ได้เขาจะเข้าในโกเย่างแน่นอนอะไรไปอ่านประวัติดูประวัติอบูลบนี่หลังจากสุรานีอยู่หลังจากสุรานีอยู่เสปี อยู่เป็นสิบปีหลังจากที่ซุร้อนี่ถูกประทานลงมาอบูละฮับนี่ที่จริงเนี่ยอบูละฮับนี่ยเป็นฉายาที่อัลลอฮ์ตั้งฉายาให้ให้ลุงนบีนะชี้เขานี่ไม่ใช่อบูละฮับนะละฮับนี่ไปว่าไฟอัลลอฮ์ตั้งชายาตกตามแบบนี้ให้เขาแล้วบอกเขาว่าคนนี้จะเข้านรกแน่ๆแล้วบูลาบนี่แค้นนบีขนาดไหนเกลียดอิสลามขนาดไหน เขาสามารถที่จะรับอิสลามหนึ่งนาทีแครับอิสลามหนึ่งนาทีเพื่อจะได้ชี้ว่าุฮัมมัดนี่โกหกและกุรานี่ก็โกหกแต่เขาบอกว่ากุรานี่ท้าทายขนาดไหนแสดงว่าผู้ที่ท้าทายเนี่ยจะต้องเป็นผู้ทรงบารมีผู้ทรงเดชานุภาพเบ็ดเสร็จถ้าบอกว่าคนนี้ ชาวนรุกจ็จบมันก็ต้องเป็นเช่นนั้นขารับอิสลามอยู่เรื่องนียว่นี้นี่คุตอานมาจากพระเจ้ า, จาที่มีเดชานุภาพจริงมีไหมคนอ่านสามก๊กอยากจะได้สัญชาติจีนนะพอนั้นซึ่งซึ่งมากแล้วนะขอเป็นนี่คือขอ้อแตกต่างมาภูมิใจในว่าเราอ่านเราอ่านกุตอานไม่ใช่เรื่องไม่ใช่รเรื่องเล่าธรรมดาธรรมดา แต่ตอนอ่านคุรอ่านนนะเราคือเราต้องพร้อมอะหัวใจของเราสมองของเราเนี่ยพร้อมที่จะรับแล้วผมเคยพูดกับพี่น้องแหละครั้งแล้วที่จริงเนี่ยอ่านกุรอ่านเนี่ยไม่ได้ยากที่จะได้ประโยชน์ประโยชน์มหาศาลประโยชน์แบบที่เราไม่คาดคิดเลยว่าจะได้ไม่ใช่เรื่องอยากเรื่องนิดเดียวแตตอนอ่านคุรอ่านนะนะเปิดใจเปิดใจเชื่อว่าคุรอ่านนี่มาจากอัลลอ แล้วก็เปิดใจแล้วจะเหมือนบอกก็อ้อนวอนบอกว่านี่อ้อนวอนฉันเปิดใจให้ให้คุณอ่านเข้ามาชำระให้คุณอ่านเข้ามาล้างให้คุณอ่านเข้ามาปรับทัศนคติแต่อย่ายึดอ ย, ย่ายึดอะไรในสมองนะอะไรในสมองจากบรรพบุรุษอะไรจะปู่ย่าตายายอะไรจะตโตครูอะไรจากอะไรเนี่ยฮนะพอคุณอ่านมันต้องตีความมันต้องไม่น่าจะเป็นแบบนั้นะ แน่นอนคือเราเราไม่ได้ให้กุฎอ่านสอนเราแต่เรามีคําสอนที่เตี่ยมไว้แล้วแล้วกุฎอ่านเนี่ยเป็นตัวช่วยถ้ามันไม่ตรงกับข้อสอนที่เรามีอยู่แล้วนะเราก็เอามาขย้กุฎอ่านเนี่ยจะได้สอดคล้องกับสิ่งที่เราเชี่ยวเชี่ยวไว้ก่อนแบบนี้เราไม่ได้อ่านกุฎอ่าน พรอเราอยากได้ทางนาจากกุณอ่านเราอ่านคุณอ่านเพราะอยากได้หลักฐานยืนยันในในสิ่งที่เราเชื่อไว้ก่อนแล้วว่าอะจะแล้วว่าอะจะได้ประโยชน์จากคุณอ่านไม่มีทางอ่านคุณอ่านนี่คุณอ่านนี่ยิ่งใหญ่ที่สุดมาจากอัลลอฮ์เนี่ยเราพร้อมที่จะเปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตของเราตามสิ่งที่เ AH ราสบานะวะตา